ข้าพเจ้าจเจริญเติบโตขึ้นใกล้ๆกับเมืองของเยสซีเยมในรัฐมิสซูรีและข้าพเจ้าเคยไปเยี่ยมเยือนบ้านไร่ของเยมที่เมืองเกีนีรัฐมิสซูรีซึ่งลูกชายของเยสซีเยมยังคงมีชีวิตอยู่เมียของลูกชายเยสซีเยมคนนี้เล่าให้ข้าพเจ้าฟังถึงเรื่องเยสซีปล้นรถไฟและธนาคารเอาเงินมาแจกชาวไร่ชาวนาเพื่อนบ้านของเขาเพื่อเขาเหล่านั้นจะได้ไถถอนการจำนองไร่นา บางทีเยสซีเยมอาจจะมองตอนเองในฐานะนักอุดมคติในใจทำนองเดียวกับดัชชูนปืนคู่คลาวรี่และอันคาปอลได้มองตัวของเขาสองชั่วอายุคนต่อมามีความจริงอยู่ว่ามนุษย์ทุกคนที่ท่านไปพบปะรวมทั้งตัวท่านต่างมีความเคารพในตัวของเขาเองและในความนึกคิดของเขาเขาอยากจะเป็นคนที่เทียบพร้อมด้วยคุณงามความดี โดยปราศจากการเห็นแก่ตัวอย่างใดทั้งสิ้นเยเปียปอนมอกันได้ตั้งข้อสังเกตไว้ในหนังสือรวบรวมสิ่งละอันพาราน้อยแห่งชีวิตของเขาว่าคนเรามีเหตุผลอยู่สองประการในการกระทําสิ่งหนึ่งสิ่ง ใ, งใดลงไปคือประการหนึ่งทําในสิ่งที่เข้าใจว่าดีและอีกประการหนึ่งทาในสิ่งที่เชื่อแน่ว่าดีจริงๆมนุษย์ย่อมคิดถึงเหตุผลที่ดีงามก่อนจะกระทําสิ่งใดลงไป ไม่จําเป็นจะกล่าวเน้นไว้ในที่นี้แต่เราทุกคนในฐานะนักอุดมคติในใจชอบนึกอยากปฏิบัติในสิ่งซึ่งเป็นเจตนาดีงามดังนั้นเพื่อให้บุคคลใดก็ตามเปลี่ยนใจของเขาจงขอร้องให้เขาเกิดความรู้สึกว่าการปฏิบัตินั้นๆเป็นเจตนาดีงามยิ่งกว่าการปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งหลักการอันนี้เป็นอุดมคติสูงเกินไปในทางธุรกิจไหมเรามาดูกันต่อไป ข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างแฮมมินตันฟาเรนแห่งบริษัทฟาเรนมิชเชนเมืองแกนโอนเดนรัฐเพนซิเวเนียผู้เช่าบ้านของมิสเตอร์ฟาเรนผู้หนึ่งเกิดความไม่พอใจบางอย่างขึ้นมาและขู่ว่าจะเลิกเช่าโดยย้ายไปอยู่ที่อื่นสัญญาเช่าค่าเช่าเดือนละห้าสิบห้าเหรียญยังอยู่อีกถึงสี่เดือนจึงจะหมดอายุแม้กระนั้นผู้เช่าบอกให้รู้ว่าเขาจะย้ายโดยด่วน และโดยไม่ได้นำพากับสัญญาอย่างใดเลยคนเหล่านี้เช่าห้องของผมอยู่ตลอดฤดูหนาวซึ่งเป็นตอนที่ผมต้องเสียค่าใช้จ่ายหมดเปลืองมากกว่าฤดูใดในปีหนึ่งหนึ่งมิสเตอร์ฟาเรลกล่าวขณะเขาเล่าเรื่องนี้หน้าฉันในฤดูต่อจากนี้ไปจนกว่าจะถึงฤดูใบไม้ร่วงไม่มีคนต้องการเช่าห้องพักเลยเพราะฉะนั้นผมจึงมองเห็นตัวเลขค่าเช่าสีเดือนเป็นเงิน220ี่เหรียญอันตรธานไปในอากาศ ที่จริงตามวิธีปกติธรรมดาทั่วไปผมน่าจะเล่นงานผู้เช่ารายนี้ด้วยการบอกเขาให้ลองอ่านสัญญาเช่าดูอีกครั้งผมควรจะแจ้งให้เขาเข้าใจว่าตามสัญญานั้นถ้าเขาย้ายเงินจำนวนค่าเช่าอีกสี่เดือนเขาจะต้องชำระทันทีและผมจะต้องจัดการเก็บโดยไม่รอช้าแต่อย่างไรก็ตามแทนผมจะใช้วิธีการรุนแรงผงผางแบบนั้นผมกลับตกลงใจลองใช้กลยุทธ์แบบอื่นดูบ้าง ผมจึงเปิดฉากพูดกับเขามิสเตอร์โดผมได้ฟังเรื่องของคุณแล้วแม้กระนั้นผมก็ยังคงไม่เชื่อว่าคุณตั้งใจจะย้ายการทำงานหลายปีอยู่ในธุรกิจมีบ้านให้เช่าผมได้รับบทเรียนเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์บางประการสำหรับคุณผมนับถือคุณมากที่สุดในฐานะเป็นคนรักษาคำพูดด้วยความสัตย์จริงผมเชื่อถือคุณด้วยความมั่นใจจนกล้าท้าพนันกับใครต่อใครทีเดียวอย่างนี้ก็แล้วกัน ผมจะให้ข้อเสนอบางอย่างคือคุณจงระงับการตกลงใจไว้ก่อนสักสองสามวันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่หนึ่งซึ่งถึงกำหนดคุณจะชำระค่าเช่าถ้าคุณมาบอกผมว่าคุณยังคงตั้งใจจะย้ายผมจะขอปฏิญาณว่าผมจะยอมตกลงโดยไม่ทัดทานเลยแม้แต่คำเดียวผมจะให้คุณย้ายโดยไม่ให้มีอะไรยุ่งยากทั้งนั้นและถือว่าเป็นการซื้อความรู้ที่ผมดูคนผิดพลาดไปแต่ผมเชื่อเสมอว่า คุณเป็นคนรักษาคำพูดและเป็นคนที่ปฏิบัติตามสัญญาเพราะตามปกติของมนุษย์เราเราจะเป็นคนหรือเป็นลิงมันแล้วแต่การกระทำของตัวเราเองครั้นถึงวันที่หนึ่งปรากฏว่าเขามาชำระค่าเช่าด้วยตนเองเขาบอกผมว่าเขาได้ปรึกษากับเมียของเขาแล้วและตกลงจะอยู่ต่อไปอีกผมและเมียต่างลงความเห็นว่าการรักษาเกียรติอันสำคัญที่สุดของมนุษย์ก็คือการปฏิบัติตามสัญญา เมื่อหลอดนอตคลิปผู้ล่วงลับเริ่มตั้งหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งและหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นลงพิมพ์ภาพของเขาซึ่งเขาไม่ต้องการให้ทำเช่นนั้นเขาจึงเขียนจดหมายถึงบรรณาธิการเขาเขียนว่าโปรดอย่าพิมพ์ภาพนี้ของผมต่อไปอีกเลยเพราะผมไม่ชอบมันหรือเปล่าเปล่าเลยท่านเขากลับขอร้องบรรณาธิการของเขาด้วยการอ้างถึงเจตนาที่ดีงามกว่ากัน เขาขอร้องด้วยการอ้างถึงสิ่งที่เราทั้งหลายรักและเคารพแม่เขาเขียนว่าโปรดอย่าพิมพ์ภาพนี้ของผมต่อไปอีกเลยเพราะคุณแม่ของผมไม่ชอบมันเมื่อยอนดีร็อกกี้เฟลเลอร์ผู้ลูกไม่ต้องการให้ช่างถ่ายภาพหนังสือพิมพ์ ม, มูนิงถ่ายภาพลูกๆของเขาเขาในทำนองเดียวกันขอร้องช่างภาพเหล่านั้นด้วยความอ้างถึงเจตนาดีงามกันเขาไม่ได้พูด ผมไม่ต้องการให้รูปของลูกๆลงหนังสือพิมพ์แต่เขาขอร้องวิงบอลตอบความปรารถนาดีซึ่งมีอยู่ในส่วนลึกแห่งหัวใจของมนุษย์ทุกคนให้ช่างภาพเหล่านั้นลาเว้นการกระทําอันจะก่อให้เกิดอันตรายแก่เด็กทั้งหลายเขาพูดขอเสียทีเถิดคุณบางคนก็มีลูกเหมือนผมคุณรู้อยู่แก่ใจดีว่าไม่เป็นของเหมาะเลยที่จะให้ลูกๆรู้ตัวว่าเขาเป็นคนที่ประชาชนสนใจเมื่อไซรัสเอชเคเคอร์ติส เด็กยากจนจากรัสเมนเริ่มออกนิตยสาร The Saturday Evening Post และ Lady Home Journal ซึ่งต่อมาภายหลังทำรายได้ให้เขานับเป็นจำนวนเงินหลายล้านเหรียญฐานะของเขาไม่ดิบดีอะไรเขาไม่สามารถซื้อเรื่องด้วยราคาสูงเท่านิตยสารอื่นๆและเขาไม่สามารถซื้อเรื่องจากนักประพันธ์ชั้นหนึ่งซึ่งค่าเรื่องแพงมากเหตุนี้เองเขาจึงขอร้องนักประพันธ์เหล่านั้นให้เกิดความรู้สึกว่า เป็นเจตนาอันดีงามกว่ากันเป็นต้นว่าเขาชวนเชิญเป็นผลสำเร็จแม้แต่ลุยซาเมออนคอร์ดผู้แต่งนวนิยายอมตะสาวรุ่นซึ่งในขณะนั้นหล่อนกำลังมีชื่อเสียงดังกึกก้องเขาใช้วิธีส่งเช็คราคาหนึ่งรเหรียญไม่ใช่ให้หล่อนลรลอกท่านแต่ให้แก่การกุศลซึ่งเป็นที่โปรดปรานของหล่อนตอนนี้ท่านอาจจะพิศวงสงสยัยและพูดขัดคออ๋อวิธีนี้อาจจะใช้ได้ผลสาหรับน็อตคลิป และร็อกกี้เฟลเลอร์หรือไปใช้กับนักประพันธ์เจ้าอารมณ์แต่คุณที่รักผมอยากให้คุณลองนำไปใช้กับลูกหนี้เหนียวนี้ซึ่งผมทำหน้าที่เป็นคนเก็บเงินดูบ้างเหลือเกินท่านอาจจะถูกทั้งนี้ก็เพราะไม่มีสิ่งใดใช้ได้ผลในทุกๆ ก, กรณีและได้ผลเมื่อใช้กับมนุษย์ตลอดหมดทุกคนถ้าท่านได้รับความพอใจในประโยชน์ต่างๆที่ท่านกาลังได้รับอยู่จากการอ่านหนังสือเล่มนี้ทาไมท่านจะต้องเลิกพอใจเสียเล่า ถ้าหากว่าท่านไม่ได้รับความพอใจทําไมท่านจึงไม่ทดลองปฏิบัติดูบ้างอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าเชื่อว่าท่านคงจะเพลิดเพลินในการอ่านเรื่องจริงเรื่องนี้ซึ่งเล่าโดยยิมแอลทมัสผู้เคยเป็นสิทธิ์คนหนึ่งของข้าพเจ้าลูกค้าหกคนของบริษัทจําหน่ายและซ่อมรถยนต์ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งปฏิเสธที่จะชําระเงินในการซ่อมรถของเขาลูกค้าเหล่านี้ไม่ได้คัดค้านว่ามิได้เป็นหนี้หากทุกคนกล่าวหาว่า คิดาราคาผิดไปในรายการไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งลูกค้าทั้งหมดต่างเส็นรับรู้ว่าได้ซ่อมสิ่งใดให้แก่รถยนต์ของเขาบ้างซึ่งทางบริษัทคิดว่าเท่านี้ก็เพียงพอแล้วส่วนราคามาคิดในภายหลังต่อไปนี้คือวิธีของคนเก็บเงินแผนกหนี้สินไปเก็บเงินที่ค้างเกินกําหนดเวลาท่านลองทายดูสิว่าเก็บได้สําเร็จไหมข้อหนึ่งคนเก็บเงินบอกแก่ลูกค้าอย่างทื่อๆว่า เขามาเก็บเงินซึ่งค้างมานานเกินสมควรข้อ 2. เขาบอกแก่ลูกค้าว่าบริษัทเป็นฝ่ายถูกในทุกๆ ก, กรณีเพราะฉะนั้นลูกค้าเป็นฝ่ายผิดในทุกๆ ก, กรณีข้อสคนเก็บเงินแจ้งว่าบริษัทมีความรู้เรื่องรถยนต์ดีไปกว่าลูกค้าเสียอีกเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรจะมาเถียงกันข้อ4ผลเถียงกันวิธีเหล่านี้เครียกล่อมให้ลูกค้าชำระบัญชีของเขาไหมท่านสามารถตอบของท่านเองได้ ในกรณีเช่นนี้ผู้จัดการฝ่ายนิสินจะโมโหโทโสไปติดต่อกับทนายความซึ่งคอยจ้องหาความอยู่แต่ค่อนข้างจะเคราะห์ดีอยู่บ้างที่บังเอิญผู้จัดการใหญ่รู้เรื่องนี้เสียก่อน ผู้จัดการใหญ่ลงมือสืบสวนความเป็นไปของลูกค้าผู้ไม่ยอมชําระเงินเหล่านี้และพบความจริงว่าลูกค้าดังกล่าวเคยรักษาชื่อเสียงด้วยการชําระบินในทันทีมาแล้วทุกคนอาจจะมีสิ่งไม่เรียบร้อยขึ้นสิ่งไม่เรียบร้อยอันร้ายแรงเกี่ยวกับวิธีการของคนเก็บเงินนั่นเองดังนั้นเขาจึงเรียกเกมแอลทมัสมาหาและบอกให้ไปเก็บเงินซึ่งเก็บไม่ได้จากลูกค้าดังกล่าวต่อไปนี้คือขั้นต่างๆ ซึ่งมิสเตอร์ทมัสได้ปฏิบัติข้อหนึ่งการไปหาลูกค้าทุกคนของผมมิสเตอร์ทมัสพูดก็เพื่อไปเก็บเงินซึ่งค้างเกินกำหนดมานานแล้วจำนวนเงินซึ่งทางบริษัทรู้ดีว่าฝ่ายบริษัทเป็นฝ่ายถูกอย่างไม่มีปัญหาแต่ผมไม่ยอมพูดแม้จนคำเดียวถึงเรื่องนี้ผมอธิบายว่าที่ผมมาหาก็เพื่อจะสืบสาวข้อเ ท, ท็จจริงว่าบริษัทได้ทาอะไรเรียบร้อยหรือผิดพลาดบ้างข้อสองผมอธิบายให้รู้ว่า ผมไม่สามารถออกความเห็นใดๆทั้งสิ้นจนกว่าผมจะได้ฟังเรื่องจากลูกค้าผมบอกเขาด้วยว่าบริษัทอาจจะเป็นฝ่ายผิดอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ข้อสาผมบอกเขาว่าผมสนใจในเรื่องรถยนต์ของเขาอย่างที่สุดและเขาเป็นผู้มีความรู้เรื่องรถยนต์ของเขายิ่งกว่าใครๆในโลกเพราะฉะนั้นในเรื่องรถยนต์คันนี้เมื่อเขาพูดว่าอย่างไรต้องมีเหตุผลน่าฟังทั้งนั้น ผมให้เขาพูดและผมฟังด้วยความสนใจและเห็นอกเห็นใจมากที่สุดเท่าที่เขาต้องการและหวังที่จะได้รับสุดท้ายเมื่อผมเห็นลูกค้ามีกิริยาท่าทีว่าจะฟังเหตุผลบ้างผมจึงพูดให้เขาสํานึกถึงความเป็นธรรมผมขอร้องด้วยการพูดให้เขารู้สึกว่าเป็นเจตนาอันดีงามกว่ากันในการชําระเงินที่ค้างอยู่ผมพูดสิ่งแรกผมอยากให้คุณรับรู้ไว้ว่า ผมเองรู้สึกว่าเรื่องนี้ปฏิบัติกันไม่ถูกต้องเสียเลยคุณได้รับความยุ่งยากรบกวนและย่วโ ม, โมโหโดยผู้แทนของบริษัทคนหนึ่งเรื่องนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นผมเสียใจมากและขออภัยสําหรับบริษัทด้วยขณะผมนั่งฟังเรื่องของคุณผมอดทราบซึ้งในความเป็นธรรมและความอดทนของคุณเสียไม่ได้คราวนี้ในฐานะคุณเป็นคนมีความเป็นธรรมและอดทนผมอยากจะขอร้องคุณให้ช่วยเหลือผมบางอย่างมันเป็นสิ่งที่คุณสามารถทําได้ดีกว่าใครๆทั้งนั้น มันเป็นสิ่งที่คุณรู้ดีกว่าใครๆทุกคนนี่ไงล่ะครับบินของคุณผมรู้ว่าคุณจะไม่ขัดข้องถ้าผมขอร้องให้พิจารณาจัดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเลขให้ถูกต้องและขอให้คุณทําด้วยอํานาจเด็ดขาดเหมือนกับว่าคุณเป็นประธานของบริษัทผมผมมอบให้คุณเป็นคนพิจารณาชี้ขาดแต่ผู้เดียวคุณเห็นดีดเห็นชอบอย่างไรทางบริษัทจะยอมตกลงด้วยทั้งนั้นเขาแก้ตัวเลขในบินไหมแน่นอนเขาแก้ตามความพอใจของเขา ปินสำหรับลูกค้าหกรายนี้มีจำนวนตั้งแต่150เหรียญถึง400เหรียญท่านเข้าใจว่าเขาแก้จำนวนเงินโดยตัดให้น้อยลงมากที่สุดไหมถูกแล้วมีอยู่คนหนึ่งทำเช่นนั้นท่านผู้นี้ไม่ยอมจ่ายแม้แต่แดงเดียวสำหรับรายการที่เขาหาว่าคิดเกินส่วนอีกห้าคนกลับตัดออกแต่เพียงเล็กน้อยเพื่อไม่ให้บริษัทขาดประโยชน์จนเกินไป แต่ผลอันเลิศจากการประนีประนอมในครั้งนั้นก็คือลูกค้าทั้งหต่างซื้อรถใหม่จากบริษัททุกคนภายในเวลาสองปีต่อมาความเจนจัดของผมสอนผมว่ามิสเตอร์ทมัสพูดเราไม่สามารถรู้ความเป็นไปของลูกค้าว่าเป็นคนอย่างไรหลักสำคัญในการติดต่อก็คือให้ถือเสียว่าลูกค้าเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตรักความยุติธรรมยินดีและร้อนใจที่จะชาระหนี้เท่าที่รายการในบินถูกต้อง ขออธิบายให้แจ่มแจ้งชัดเจนยิ่งไปกว่านี้คือมนุษย์เราต่างมีความสุจริตอยู่ด้วยกันทุกคนและต่างอยากให้นี่สินหมดสิ้นไปเพื่อจะได้เบาใจผู้ที่อยู่นอกกฎเกณฑ์อันนี้ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วมีอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นผมเชื่อแน่ว่าลูกหนี้คนไหนก็ตามถ้าเขาคิดจะโกงส่วนมากจะเปลี่ยนความคิดถ้าหากท่านพูดให้เขาเกิดความรู้สึกว่าท่านนับถือเขาในฐานะเขาเป็นคนสุจริตซื่อตรงและยุติธรรม ดังนั้นถ้าท่านต้องการจูงใจผู้อื่นให้คล้อยตามแนวความคิดของท่านจะเป็นการดีมากที่จะปฏิบัติตามกฎที่สิบซึ่งมีดังนี้จงขอร้องด้วยการพูดให้รู้สึกว่าเป็นเจตนาอันดีงามกว่ากัน